บางท่านเห็นว่าภาวะในฌานเป็นนิพพานหรือมิฉะนั้นก็ว่าสัญญาเวทยายตนิโรธที่เรียกอีกอย่างว่านิโรสมาบัติซึ่งเป็นสมาบัติสูงสุดเลยจากอารูปฌานไปนั่นแหละคือการเข้าถึงนิพพานคำตอบมีว่าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งยังไม่บรรลุอรหัตผลฌานสมาบัตเหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการบรรลุอรหัตผลต่อไปคือเป็นเครื่องมือเตรียมจิตให้พร้อมและให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ดีที่สุดดังเด็กเล่าแล้วข้างต้นนอกจากนั้นตัวชานสมาบัตเองตลอดจนรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในชานสมาบัตเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยิบยกขึ้นมากาหนดพิจารณา ด้วยวิปัสนาปัญญาเพื่อให้เกิดวิชาขึ้นได้แต่สําหรับผู้บรรลุอรหัตผลแล้วฌานสมาบัตเหล่านี้ท่านใช้เป็นที่พักเสวย อ, อยู่อย่างอาริยชนจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารบ้างทิพยาวิหารบ้างอนุปุภาวิหารบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวนิพพานพูดสั้นว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับบรรลุนิพพาน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 อันหนึ่งไม่พึงสับสนกับข้อความที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าฌานสมาบัติเป็นทิฏฐธรรมนิพานได้โดยปริยายคือโดยภาวะที่กิเลสสงบระ ง, งับไปตลอดเวลาที่อยู่ในฌานสมาบัตินั้นๆและไม่พึงเข้าใจสับสนเกี่ยวกับข้อความในวิสุทธิมรรคที่กล่าวถึงพระผู้จะเข้านิโรธสมาบัตว่าท่านมีความประสงว่าเรามักเป็นผู้ไม่มีจิต ถึงนิโรธคือนิพพานในที่นี้คือเหมือนนิพพานอยู่เป็นสุขเสียในทิฏฐธรรมนี่แหละวิสุทธิมารดีกาอธิบายความตอนนี้ว่าเสมือนบรรลุอนุปาที่เสสนิพพานเพราะผู้เขานิโรธสมาบัติไม่มีแม้แต่สัญญาและเวทนามีภาวะคล้ายกันมากกับคนตาย ข้อความนี้ก็ไม่ได้หมายความว่านิโรธสมาบัตเป็นนิพพานแต่หมายความเพียงว่าอาศัยนิโรธสมาบัตบรรลุนิพพานเป็นวิธีหนึ่งในการเกี่ยวข้องกับนิพพานซึ่งเป็นธรรมดาของผู้บรรลุนิพพานแล้วที่จะมีความเกี่ยวข้องกับนิพพานอยู่เรื่อยๆแม้เมื่อเข้าผลสมาบัตพระอริยะทุกระดับก็ย่อมกาหนดใจถึงนิพพานเป็นอารมณ์ ผู้ที่อ่านบาลีเกี่ยวกับนิโรสมาบัติที่ว่าภิกษุเข้าถึงสัญญาเวทายตานิโรธอยู่และอาสวะทั้งหลายของเธอก็หมดสิ้นไปเราเห็นด้วยปัญญาเพียงเท่านี้เรียกว่าธิฏธรรมนิพพานโดยนิปาริยยข้อความนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าสัญญาเวทายตานิโรธเป็นนิพพานการสิ้นอาสวะตังหากเป็นนิพพาน เพียงแต่นิพพานนั้นอาศัยสัญญาเวทายิตานิโรธเป็นฐานในบางแห่งก็มีบาลีว่าวิโมก8คืนนิโรธสมาบัตเป็นวิโมกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งด้วยกายอัตถกถาว่าหมายถึงนามากายส่วนความสิ้นอสวะ ความหมายหนึ่งของนิพพานเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาในสังยุตตนิกายสลายตนะวัต์มีบาลีว่าสำหรับผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสัญญาและเวทนาดับแต่สำหรับพระขีณาสพคือผู้บรรลุนิพพานราคะโทสะโมหะดับ และพึงสังเกตว่าในการเสด็จดับคันทปริณิพานพระพุทธเจ้าทรงเข้าอนุปุปภะวิหารสมาบัติโดยตลอดคือตั้งแต่ปฐมชาญขึ้นไปตามลําดับจนถึงสัญญาเวทายิฐานิโรธแต่หาได้ทรงปริณิพานในนิโรสมาบัตินั้นไม่ทรงออกจากสมาบัตินั้นและเข้าชาญออกจากชาญย้อนลําดับลงมาเรื่อยๆจนถึงปฐมชาญ แล้วกลับเข้าฌานย้อนขึ้นมาอีกจนถึงจตุทถาฌานออกจากจตุทถาฌานจึงปรินิพานทิฏฐธรรมสุขวิหารคือธรรมะเครื่องพักอยู่สบายในปัจจุบันได้แก่รูปฌปานสี่ทิพยาวิหาร คือธรรมะเครื่องอยู่อย่างทิพย์ได้แก่สมาบัติ8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่อนุปภาพวิหารคือธรรมะเครื่องอยู่ที่ปราณีตขึ้นไปโดยลำดับได้แก่สมาบัติ8และสัญญาเวทยายตะนิโรธฌานสมาบัติเป็นสิ่งสูงประเสริฐก็จริง แต่หลักพุทธศาสนาสอนว่าความเพลิดเพลินติดใจในฌานสมาบัตินั้นเป็นจุดอ่อนหรือคอบบกพร่องอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็คือเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้บรรลุนิพพานนั่นเองเช่นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุบรรลุอรูปฌานที่สคือเนวาสัญญาณสัญญายัตนะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมาบัติ8 แต่เธอเพลิดเพลินติดใจเวทนาในอรูปปานนั้นเสียก็ย่อมบรรลุนิพพานไม่ได้เพราะยังมีอุปาทานคือความยึดติดอยู่และอุปาทานในกรณีนี้ก็คือเนวสัญญาณาสัญญาญัตนะนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอุปาทานเสตถะคืออุปาทานอย่างประเสริฐหรือความยึดติดขั้นสุดยอด ส่วนพระอระหันต์ผู้บรรลุนิพพานแล้วโดยสมบูรณ์ย่อมใช้ฌานสมาบัติเป็นที่พักอยู่สบายได้แต่ท่านหาติดใจเพลินไม่คำว่าอุปาทานาเศถษะอธกะถาแก้เลี่ยงไปว่าเป็นสถานที่พึงยึดถืออันประเสริฐคือหมายถึงภพที่จะไปเกิดอันสูง แต่ที่แปลไว้ข้างบนนั้นตรงทั้งศัพท์ทั้งเรื่องดีอยู่แล้วนอกจากนี้ในสัพพุริสสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นมีลาบมีชื่อเสียงเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกะถึกหรือได้ประพฤติความดีพิเศษเช่นถือทุดองอยู่ป่าถือผ้าบางสุกุลอยู่รุกขมูลเป็นต้น ตลอดจนได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญาณาสัญญายตนาสมาบัติหากเกิดความรู้สึกภูมิลำพองใจว่าเราได้เราเป็นอย่างนี้ร่อื่นๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้เกิดอาการยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็เป็นอาสัตบุรุษทั้งสิน้นพึงเทียบคำสอนในอังกุธรนิกายจตุการนิบาทซึ่งตรัสสอนว่า ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอริยวงเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยินดีในการเจริญภาวนาแต่จะไม่ถือเอาคุณความดีเหล่านี้มาเป็นเหตุยกตนคมผู้อื่นเลยข้อยืนยันที่เข้าใจง่ายๆให้เห็นว่าฌานสมาบัติตลอดจนยุโรสมาบัติไม่ใช่นิพพาน ก็คือหลักที่กล่าวมาแล้วว่าพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตต์ไม่ไดเอารูปฌานและจึงเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ด้วยตามหลักฐานที่พบพอจะอนุมานได้ว่าพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตต์นี้มากกว่าพระอาหารหันต์อุปโตภาคาวิมุตตเช่นนะ้าที่ประชุมสงแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่านี่นะ่ะสารีบุตร บรรดาภิกษุห้ารอรูปนี้60สรูปเป็นเตวิชาคือได้วิชาสามหกสรูปเป็นชละพิญญาคือได้อภิญญาหกหกรูปเป็นอุพโตภาคาวิมุตตินอกจากนี้เป็นปัญญาวิมุตติข้อนี้แสดงว่าการเข้าถึงนิพพานมีใช่อยู่ที่ต้องเข้าถึงนิโรธสมาบัติหรืออรูปสมาบัติ ซึ่งต่ำลงไปกว่านั้นเพราะพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตติซึ่งไม่ได้มีสมาบัตเหล่านั้นก็ย่อมเป็นผู้บรรลุนิพพานอย่างแน่นอนรวมความว่าวิมุตติที่จะเป็นความหลุดพ้นเด็ดขาดให้เข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงต้องจบลงด้วยปัญญาวิมุตติจึงจะทําให้เจโตวิมุตติ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดมีมาก่อนนานแล้วก็ดีเกิดขึ้นแล้วแต่กลับเสื่อมไปและกลับได้มาอีกแล้วเล่าเล่าก็ดีหรือเจโตวิมุตติที่ได้พร้อมๆกับปัญญาวิมุตตินั้นซึ่งอย่างหลังนี้คือเจโตวิมุตติแท้ที่ต้องการและจําเป็นโดยฐานเป็นบาทให้แก่ปัญญาวิมุตติก็ดีกลายเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติ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 และจะไม่นำเอาผลพลอยได้ที่พ่วงมากับเจโตวิมุตติคือโลกิยะอภิญญาไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนองความต้องการของตนทำให้มีการใช้ประโยชน์จากเจโตวิมุตติอย่างดีที่สุดภาวะอย่างนี้ก็คือการมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นคู่กันซึ่งท่านกล่าวถึงอยู่เสมอว่า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 โกธาอุทธจักดับไปหมดไม่เหลือเลยในกรณีนี้อธถกะทาว่าหมายถึงวิมุติตั้งแต่ขั้นโสดาปฏิพลขึ้นไปจนถึงอรหัตผลอากุปปาเจโตวิมุติอย่างนี้คือเจโตวิมุติที่มีปัญญาวิมุติร่วมด้วยแล้ว นี่เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแกนและเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมยะวิมุต t นั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยบาลีว่าอถานะอนวกาสะภิกษุทั้งหลาย โดยในยะชนิดแลพระมรรจัน์คือศาสนานี้มีใช่มีลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอานิสงส์มิใช่มีศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงส์มิใช่มีสมาธิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสงส์มิใช่มียานัทสนะเป็นอานิสงส์แต่พระมรรจัน์นี้ มีอากุปปาเจโตวิมุตติเป็นประโยชน์เป็นแกนเป็นจุดหมายพระสูตรนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าบุคคลอาจมัวเมาในลาบสการะชื่อเสียงในศิลสัมปทาในสมาธิสัมปทาและในยานทณทัศนะแล้วก็เลยติดอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงอากุปปาเจโตวิมุตติ